พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่ส0สิบทาตุวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกธาตุพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นมคตสเสด็จแวะพักนกกุงราชกฤชทรงอาศัยที่อยู่ของช่างหม้อชื่อพักคะพักแรมคืนตรัสแสดงธรรมแก่กุลบุตรชื่อปุกุสาติผู้บวชอุทิตพระองค์ ไม่รู้พระองค์โดยใจความสําคัญคือบุรุษนี้มีธาตุหกมีอายตนะสาหรับถูกต้องหกมีความท่องเที่ยวไปแห่งใจสิบปคือมโนปวิจารณ์มีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่บุคคลตั้งอยู่ในธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจแล้วกิเลสย่อมไม่เป็นไปเมื่อกิเลสไม่เป็นไป ก็เรียกได้ว่ามุนีผู้สงบประงับไม่ควรประมาทปัญญาควรตามรักษาสัจจะควรเจริญการสละควรศึกษาความสงบแล้วได้ตรัสอธิบายรายละเอียดในการแจกรายละเอียดทรงแสดงธาตุหกคือดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณอายตนะสำหรับถูกต้องหก คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมโนปวิจารสิบปดคือความท่องเที่ยวไปแห่งใจในโสมนัสหรือความดีใจหกในโทมนัสหรือความเสียใจอีกหกในอุเบกขาคือความรู้สึกเฉยเฉยอีกหกรวมเป็นสิบแปดธรรมะที่กวรตั้งไว้ในใจสี่คือปัญญาสัจจะจาคะ ในที่นี้คือการสละกิเลสและอุปัสมาความสงบระงับแล้วตรัสอธิบายแต่ละข้อโดยพิสดารต่อไปอีกโดยเฉพาะวิญญาณตรัสอธิบายว่าได้แก่สิ่งที่รู้แจ้งสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขพระปุกกุสาติก็รู้ได้ทันทีว่าตนพบพระศาสดาแล้วจึงลงกราบขอประธานอภัยโทษ ระผู้มีพระภาคตรัสประธานอภัยพระปุกุสาติซึ่งเดิมบวชเอาเองจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทตรัสสั่งให้หาบาจีวอนในขณะที่หาบาจีวอนนั้นก็ถูกแม่โคควิดถึงแก่ชีวิตเมื่อมีผู้กราบทูลถามถึงคติในสัมปรายภพคือภพบเบื้องหน้าของปุกุสาติก็ตรัสตอบว่า เป็นอนาคามีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการได้